พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2554มีชื่อเรื่องว่าจะตุปปัจจัยเหมือนดาบสองคมลูกหลานมาถอดผ่าปา่าวัดนาแค่ ม้วนเนี่ยได้เงินเจ้าภาพแสนกว่าบาทเนาะก็เลยมารวบรวมยูสลานะ่ะเด็ดแสนสีหลวงพ่อเ อ, อ้ยเป็นเท่าไรสองแสนกับสองแสนลองรอบมัง้งเนาะเอาไปมาได้สองแสนอีหลียวจกกระเป๋ากันไปจกกระเป๋ากันเม่าไปได้สองแสนกับสี่บาทแต่แต่แรกได้สองสอง สองแสนก็หาสิบจตางกัโอ้ยมันบกบัดครบเต่งมันก็นหน่อยพอ่อเอาครบบัดจาให้มันครบบา้าว่าสี่แสนกนึ่งบาทจ้าว่าเอาไปมามีร่วมกับวาอีกเดี๋ยวสี่สองแสนกับสองแสนกับสี่บาทมันวะเอาละพ่อสองแสนสี่บาทมือว่านลงพ่อกับสอนอีกเด้เออ ปะเน่นลูกลานนองนุ่งทั้งหลายนะ่ได้เจตุปัจจัยมากกับใสให้เป็นแต่ว่าต่างคนกับต่างว่าใสเป็นนะวะใสเงื่อนเป็นแต่ว่าขั้นใสไปแล้วนะเป็นทีตำหนิของขู่ข้นทั้งหลายสัทว์ทายานโนมทั้งหลายเขาหามากเลวกับใสลุยชุยแฉกเขาคงวายข่ายอีกได้เอากระอันนั่นเขาเอื่นใสบ่เป็นได้เงื่อนมากเลยใส ไอ้ยังขวางหนามันหาใส่ใจไปหมดก่อนเขาจิตใจเงินพันมากนเงื่อยยศเงื่อยยหลายยศอยู่เด้จอยสิตใจเงินพันกันมอาผู้เสือลองลเองหองไปหาบางรูปก่อนที่ทำงานใดก็าีนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้คิดหาเงินหาท่องเพินได้มากล้วถวายพระไว้ในพระพุทธศาสนา ให้บอมรุ่งวัดว่าศาสนาให้บอมรุ่งกุติสาลาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องได้บอมรุง่งบางทีก็เบื้องแตกหลังค้าหัวมันมีมัดนั่นแหะที่จะได้สมแซมห่องน้ำ ห, ห่องตาตนนหงษทางกุติที่พักตลอดถึงผาแน่นเจ็บไข่ได้ป่วยที่มาพักผ้าอาศัยตลอดถึงหยาิโยมที่มาพักผ้าอาศัยเขาก็จะต้องได้ มีจตุปัจจัยชั่วนหนึ่งดูแล น, นี่แหละปัจจัยซีสําหรับเอามาใช้ในวัดให้เกิดประโยชน์กันนอกเหนือจากนั้นถ้ารวยขึ้นมา ก, กว่านั้นเถอะย่างหลวงพ่อนี่ยหลวงพ่อได้มากกว่ น, นี้แล้ววัดทันซักเนี่ยในกลางควัษสาอยากได้นักทางหนามเซตเทนเลสซีหน่วยมาได้ซื้อได้สองอยังอยากได้อีกสองเพราะมันซาลามซีมุม กอกน้าเอะทอนา้ามันลงมาจากหลังคาเนะ่ยน้ฝนลงมาจากหลังคามันมาสีมุ่มเลยอยากได้สีนวยนี่แหละสองนวยขอใสก็บไุดขอกับหลวงพอนะ่อเออหลวงพ่อไปขอมออื่นก้อนขอมองอ่ลกับบุตรใดเอ อ, เ อ, อบุตรใดจะแทะเขาใหา้วอาใหาไ 6, 100, ไ้ไปนะหกเงินได้นี่แหละทางน้ำจุขังซาล่านาแค่เนี่ยนี่แหละ ลมพ่อได้มากลงพออง่อก็ณบําเพ็ญิดใส่พกใช้ห่อคู่เดียวได้แบงมากด้วกันแล้วก็เดินรงเลี้ยนบันวางบงนีนแด่ใกล้ๆทั้งผ่านมาเนี่ยเนี่ยจะจะต่อเติมชั้นล่างลงพ่อเขาเอ้ยมาไปหาบองอื่นก่อนเดี๋ยวพ่อจะหาทีหลังไปหาอปปต์ด้อะเขาไปหาอปปต์ในเงิ่อนหาพันมาต่อเติมชั้นล่างประมาณสองปะ แสนเก่าแสนเก่าเมื่อปานนี้เขาก็รวบร่วมจากพี่น้องลูกหลานชาวบ้านเขาอีกพอแม่พี่น้องลูกหลานเขาอีกได้เงินมา6กหมื่นกว่าย่งขาดดูแสนสองเขามาหาหลวงพอ่อมัดหม่องศิหาแล้วย่งขาดดูแสนสองเอา้าเอาเลยสา้างเฮ็ดซะนี่แหละหลวงพ่อก็รับ เป็นภาละตลอดถึงโล่งพยาบาลทู่เมืองอุดอรตึกหนีไฟตึกที่จอดรถนั่นลงพ่อก็เป็นภ้าละเป็นรับภ้าละให้ช่วยเป็นประธานในการสางให้หาทุนให้อีกส่วนนึงเนละขั้นเฮาบวบบวาให้พวกหลูกลานฟั่งหลูกลานก็ตรบกหูจักก็เออ ผู้บาอาจารย์วัดว่าศาสนาเี่เปิดซอยจังไหนปุณห์น้นมทวงขึ้นเนน้ำทวงก็ไปตั้งลงท่านอยู่สาตเสงเ่้าทรงอาหารเขากรุงเทพเงินหลวงพ่อนี่ยตั้งแปดแสนกว่าประเท้ส่งไปโอนเข้าไปโอนโอม่ว่านม่ก้อนน่บมปนปัจจัยของหลวงพ่อหรืปัจจัยวัดอื่นผ่านม า, าวัดหลวงพ่ออีกสามแสนกว่าหลวงพ่อเป็นผู้โอน อันไหนก็โอนเข้าไปร่วมแล้วก็พานวัดหลวงพ่อกันล้านกว่าอันนี้ก็ช่วยน้ำท่วมก็ไม่ได้นิ่งดูดายขึ้นกันนี่ะถึงจะอยู่ป่าหรงพงไพหลวงพ่อกับคณะสงฆ์มองรอบรอบด่านรอบรอบขังขึ้นกัน น, น่ะศรัทธาเนี่ยง้มหลูกล้านเลยค่ะกวา่าบวบห้ฟังหลุกล้านก็ะโบหู ว่าจะตุปจัจที่ใดมากนี่ใส่จังไรคันเบาให้ฟัง่งบางค้อนก็นดโอ้ยหลวงพ่ออิ น, นขี้อวดอทำไปแล้วมาอวดมวูมาอวดมาอ่างให้มูฟัง่งคันเบา เ, เบาเกิดจะบูมจักอีกปเานนี่โอ้ยหลวงพ่ออินได้เงินมาหลคือสิบปัจจัยใส่ใจเนาะคือจะเก็บไว้มัดมทเทไรนี่แหละอันนี้คือ บางครั้งเขาบอกไว้ฟังการสงคอัอนุเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองลูกล้านอย่างหลวงตาเนี่ยมหาบัวเนี่ยเป็นเป็นคูบาอาจารย์เผินผ้า ส, สงคอัอนุเคราะห์จังไหนช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาลช่วยลงห ล, ลับรงเรียนช่วยสาธารณาประโยชน์ช่วยประเทศชาติอย่างพวกเข้าั้งหลายได้เห็นนั่นแหะ อันนี้ก็คือพระสงฆ์กูบาอาจารย์โมเมนตจิตบริคิดแต่อานแน่อันนี้คือกันวัดนาแค่เข้าคือกันศรัทธาญาติโยมหามาให้กับเพื่อให้ธนุบ่มรุ่งพระพุทธศาสนาเพื่อดูแลวัดว่าศาสนาเสนาสนะปัจจัยซีขันว่าได้มากแล้วลงโพสตก็ดีไัยก็าตาม ในประตูปัจจัยจากพี่น้องชาวบ้านชาติฐานแย่งโนมมาแล้วใส่บอ่อเป็นกามาใส่บ่เป็นคือเอกมาใส่ลุยชุยแฉกเพอเพอรยังซื้อยาบ้ายาหมาม า, มาขายอีกต่างหากเสพยาบ่งยาหมาอีกต่างหากกินเหล้าเม้ายาอีกต่างหาก อ, าอยังถีอพวกเฮาเห็นในชื่อต่างๆอันนั้นแปลว่าใส่บอ่อเป็นได้มากแล้วเอา ญาติโยมเอาปัจจัยมาให้แล้วก็มาตัดหัวปฏิญญาของมันตัดแข้งตัดขาเจ้ า, จาของตัดมือเจ้าของตัดข้อเจ้าของฮะคือทำความชั่วนี่ยคือตัดข้อเจ้าของตัดออกจากศีลจากธรรมเป็นอาบัตนักสังฆาปาราชิตเข้าไปนี่แหละใส่บ๊อบเป็นได้มากแล้วก็สังหารเจ้าของอขั้นใส่ได้มากแล้วก็หู่จักบำลุ่งวัดว่าศา ส, สนาใถือว่านี่เป็นสมบัติของพระพุธทธเจ้า ที่ใดมาเนี่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเ ha เนี่เป็นลูกธิดของพระพุทธเจ้าลูกหลานพระพุทธเจ้าเอาก็ใส่สมบัติของเพินให้เกิดประโยชน์อย่ายให้มันเกิดโทษนะพอว่าจะาทุกปัจจัยมันเป็นดาบสองคมเลยใส่ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ใส่ให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษนะคือการกัดกมิดนะเขาถวายมีดถวายผ้ามาให้หลวงพ่ออินอ่นะนะ มีดทาขั่วงเอาทรงไปในครั้วเห็ดขันะ้วน่ะเสร็จทรงมาเออมีดโกนหนวดมีดปองผมบมีดโกนเอาเอาไปใส่นะ่ะเนี่ยขนาดว่ามีดทางปลาได้ ย, ยากเอาไปใส่สันนะ่ะอันนี้ให้มันเกิดประโยชน์จังจัดโมเมนเขาถวายมีดมาแล้วมีนืเห็ดมาฟันแข้งฟันาาขาจุข้องเล่นเพอเพอตัดข้อจุข้องเห่นมันก็ตายแหละมด นี่คือกันเนะงื่นเจตุปจนะัจจัยเนี่ยั่าเงื่อนคือเป็นดาบสองคมจังสันละคือมีดนั่นแหละการใส่ให้เกิดประโยชน์กเกิดประโยชน์ท่าเกิดให้ใส่ให้เกิดโทษมันก็เกิดโทษขอให้พระทรงองค์ข้เจ้าน้องลองุทงทั้งหลายนอะใส่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อวัดว่าศาสนาเนี่ยแหะแล้วก็พร้อมกันกันต่างอกต่างใจภาวนาเนอะ ต่างขนต่างมากเกิดต่างข้นต่างมีกรรมกรรมไปกรรมมั่นกรรมดีกรรมชั่วถ้าเขาเหตุกรรมบุรีกรรมบุรีก็ให้ผลถ้าเหตุทำกรรมดีแล้วกรรมดีถ้าทำกรรมชั่วละกรรมชั่วก็ให้ผลถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็ให้ผลแต่ม่ให้ผลต่างกันให้กรรมชั่วนะให้ผลไปทางทุกพ่อตายไปแล้วก็นั่นล่ะย่มพอบานหลอก แขนผ้าไปหอดหมอนนรกจับง้วลงหมอนนรกไปเป็นเป็ดนร ก, กก็มีลายลุมอีกต่างหากคือกันห่องกงแหลกับห่องกงอพยอนายุ่งที่แหละห่องกงที่สองกับคุกเมืองอุดอรถ้ามันโทษนักขัตภลแหละต้องบังขวางหลัดเง้วไปละบาดเลยเขาคุกหมืดไปอีกต่างหาก ไปหอดผุนยังมาแล้วชังขังขุกมือเด็กไงพอไหนมันโทษนักเลยนี่คือกันนะบาปกรรมขื้นกันอันไหนขึ้นขังขังในมนุษย์โลกผีไปแห้งให้ก้อนนั่นอีกขังวิญญาณขังวิญญาณแห้งทุกก้อนนั่นอีกนี่แหละอันไห้พื้นไทยท่ากรรมกำชั่วกำชั่วมันจะพาไปทั้งจันทร์อั น, นันตรริยกรรมหาขาพ่อขาแม่ออ ขาพระรหันธ์ทำลายพระพุทธเจ้ายั่งพระโลหิตไท่หอหนุยงสงในแตกกันอันนี้ละบาดนักในลักของพุทธศาสนาแปลว่าขังคุกมืดละพวกเนี่ยจากนั้นกันเน่ะต่อมากกว่ขังคุกธรรมดาอันนี้คือบาปกรรมบาปใหพดบุญใหพนน้นกันน่นละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชำระจิตใจได้กับเขาสูนิพาน ออกลองลงมากกับเป็นพระอนาคามิลองลงมาก ami, งงมากับเป็นพระ ส, สักทาคามิ ite. ล่องลงมากกับเป็นพระโสดาบันลองลงมากกับไปอยู่สันพ้มพ้มมีหลายชัน้นพ้มมีเตั้งหกชัน้นสวรรค์หกชั้นแล้วกับพ้มมีหลายชัน้นจากนั้นก็สู่สวรรค์สันต่างๆต่อมากับภูมิมะลุคะเทวดาเนี่ยเป็นเทพพกุตเท พ, พนัก อันนี้ก็ยั่งดีอยู่เป็นเป็นมนุษยนะ์จากนั่นกับนั่นนะเป็นชัดธิรจ า, านสร้างมากง่าควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นในทั้งมัดวิญญาณของคนเฮาเนะพราะนั่นเฮาจะไปเหตุสิ่งที่มันบดีแต่เหตุสิ่งที่มันบดีแล้วมันไปลักษณะจังสันละวิถีทางเดินของจิตวิญญาณของสัพสัต ท, ทางหลายในโลกผนมะมีพรด้รับประกันได้ว่าที่ไปในทางดี รับประกันได้แต่ตัวเจ้าของนั่นท่านตัวตัวเฮ้าถ้ำดีไพ่จะมาเฮ็ดให้ชัว์ได้ถ้าเฮ้าเฮ็ดชัวล้ะไพ่จะมาเฮ็ดให้เฮ้าดีได้นอกจากเฮ้าแต่นั่ะที่จะเฮ็ดดีเฮ็ดชัวรอยู่กับเจ้าของการเฮาเเฮ็ดดีเจ็จไพยจะเฮ็ดให้คือกันกับเฮ้าพหายใจเน่ยกันเฮาหายใจไพ่จะหายให้เฮ้ากันเฮาพทานอาหารไพ่สะทานให้เฮ้า ขันโอหี่หนังสือไผ่สีเฮียนในเฮ้าขันเฮ้าบอกออกกำลังกายไผ่จะออกไห้เฮ้าบางเสียงบางอย่างมันต้องตัวเองเหตุเองเน๊ะอันนี้คือกันการปฏิบัติธรรมขันเจ้าของโอหี่เหตุเจ้าจของไผ่สีเฮี่ให้เฮ้าพ่อแม่พี่น้องเหตุไห่ก็เป็นบุญของเขาขันพอได้กินเขาเคยอิ่มท้องของเขาเขาไม่อิ่มท้องเฮ้าบไ่ได้ขันเขาเฮียนหนังสือกั เขาคนได้ความรู้เขาที่มาให้ความให้ความรู้แก่เขาบอดายนี่จรงจังแหละสิ่งใดก็ตามที่เข้าเห็ดเป็นของเข้ามันมีอยู่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างซอยเหลือกันก็นมีแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องจบของซอยตะของเลยอัตหิอัตโนโ น, นาโถโกหินาโถปโลศยายแปลเป็นภาษาภาษาไทยว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตน โกหีนาโถปโรทิศยาเนี่ยใครเลยคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้เนี่ยตรงนี้แหละตรงที่ว่าพึงว่าจุดเจ้ากินเขาแท่นคอยเดเดอร์ยงนี้นะเจ้าเฮนังสือแท่นคอยเดเดอร์อย่างนี้ น, นะบ่อได้เอาไปตัวเองต้องทำเองต้องพึงตัวเองจุดนี้ในบุญกุศลขึ้นกันต้องทำเองต้องสา้างเองคิดเอง พูดเองทําเองคิดเองนี่จะเป็นบุญกุศลเขาสู้จิตใจของพวกเขานะอันละพอนอนโมธนาให้พร